ท่านที่เคารพคะ่ะท่านกำลังฟังรายการ ส, าม ส, สัมสีนิสนทนาดําเนินรายการโดยสัมสนีนาพงนะคะมาถึงช่วงสองของรายการเราก็จะได้พบกับการเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพูท้ทวจนะหมายความว่าในการตอบคําถามนั้นจะยกเอาพูท้ทวัจนะมาให้ความรู้กับพวกเราประกอบกันไปด้วยโดยพระภัยบูลณ์อภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญวดุดร์ธานีค่ะนมัสการท่าคะใช่อจรย์บอลค่ะมาถึงวันนี้อย่างไรเสียก็ออยังจะต้อง เชิญชวนคนทั้งหลายให้พูดดีกันต่อพูดถึงความทุกข์กันนะคะอันเกิดจากหูกับเกิดจากปากเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสเป็นไหมคะว่าอันไหนมันมากกว่ากันหรือเกิดจากตาเนี่ยในอายตนะต่างๆที่นําความทุกข์มาให้มนุษย์เนะะี่ยค่ะอตาหูจมูกลิ้นกายใจเออไม่ได้เคยพูดไปนะมไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าอันไหน มากกว่าน้อยกว่านี่ไม่ได้เคยพูดไว้คือเวลาตรัสเนี่ยก็จะตรัสรวมกันทั้งก้อนเนี้ยหกหกอย่างนี่รวมเป็นหนึ่งก้อนเนี่ยมาเป็นพวงเลยค่ ะ, ะเป็นก้อนของความของเหตุแห่งความทุกข์ของภาษใช่ไหมคะภาษานีาา่เป็นเหตุของกรรมค่ะลําบากนะคะท่านผู้ฟังอันนี้ดีท่นขอขอนุญาตพูดท่านผู้ฟังรำพึงรำพันสักหน่อยนะคะเราเป็นมนุษย์ปกติอะคะ่ะตาก็เห็นหูก็ได้ยิน จมูกก็ได้กลิ่นนะคะลิ้นก็สัมผัสรสกายก็สัมผัสหนาวร้อนอ่อนแข็งแล้วก็ใจเนี่ยหัวคิดตลอดเลยเดี๋ยว่รู้สึกดีเดี๋ยวก็รู้สึกไม่ดีเดี๋ยวก็รู้สึกเสียใจน้อยใจดีใ จ, ใจทุกเวลาเลยทุกเวลาถ้ามีสิ่งเหล่านี้จึงต้องเผชิญทุกอย่างนั้นนรอคะใช่ใช่อ อ, อย่างไรก็ตามก็มีพระสูตรหนึ่งที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ว่า อย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยถ้าเรามีความอดทนในสิ่งพวกนี้จะเป็นเหตุที่ทําให้เข้าสู่สัมมาสมาธิได้นะจะเป็นผู้ง่ายในการเข้าสู่สัมมาสมาธิอดทนนี่สักแค่ไหนและอดทนอย่างไรล่ะคะอดทนอย่างไรนะอดทนนี่คือการคือการที่ไม่แสดงท่าทางกราฟรักราเฟียดนะไม่น้ําตาไหลไม่งุน ง, งงหลงไหลยอย่างนี้เป็นต้นนะ เมื่อถูกภาษาที่ไม่น่าพอใจเหล่านั้นคือคนที่ถูกภาษาที่ไม่น่าพอใจในคุณยมติว๋วเช่นอะไรบ้างหนาวร้อนหิวกระหายการถ่ายอุจจาระการถ่ายปัสสาวะวาจาอันหยาบคายร้ายกาดอันไม่ใช่ของสัตว์บรุษนะความเจ็บป่วยเจ็บปวดทางกายอันแทบจะนําไปเสียซึ่งชีวิตเหล่านี้นี่คือความอดทนใ น, นที่พุทธเจ้าว่าถ้าอดทนต่อสิ่งเหล่านี้ได้โอเคดีมาก อ, อดทนได้เท่าไหร่ยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีอย่างพระสงฆ์อย่างเงี้ยคุณยมติ๋วจะพิจนารณาได้ไงว่าตัวเองป่วยหรือไม่ป่วยก็อยู่ที่ความอดทนของตัวเองสมมุติอาตมาบอกว่าเอ้ยรู้สึกปวดท้องอแต่ปวดท้องเรานี่เราพอทนได้อันนี้ไม่ใช่อาการป่วยหรอกยังไม่ต้องกินยาแต่ ถ, ถ้าเรารู้สึกเริ่มทนไม่ได้ไ ว, ว้ละความอดทนเรามีน้อยอเราเอาพิจารณายา ม, มาฉันอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าสมมติไข้ไดิฉันขึ้นมากกว่า37องศาเซลเซียสอืแต่ดิฉันยังทนได้แปลว่าไม่ป่วย อย่งนั้นรคะอ่านี่คือสําหรับบุคคลคนนั้นใช่ทางการแพทย์ก็เรื่องเป็นเรื่องของทางการแพทย์ไปอ๋อคือถ้าทนได้นี่แปลว่าทางพระนี่จะไม่นับว่าป่วยก็จะไม่พิจารณาในการรับประทานยาอ๋อค่ ะ, ะก็คือจะเอาแค่เอากายของเราเนี่แหละนะส่วนยาอย่างอื่นนั้นก็อยู่ที่ว่ามีเหตุปัจจัยที่สมควรองจะกินยาเนี่ยเหตุปัจจัยที่สมควรคือคุณป่วยงั้นจะรู้ได้ไงว่าเราป่วยหรือไม่ป่วยผิวแตกนิดนึง นะฮะเป็นอย่างก้นผมอย่างเงี้ยมีก้นบาดอย่างเงี้ยบาดนิดนึงเลือดยังไม่ทันไหลมากเลยอ่ะเราจะเอายามาฉันเอายามาทาหรือว่าเอาแค่ปิดปิดมันไว้มันก็อยู่ที่เราพิจารณาว่าเราอดทนได้ไหมว่างั้นเถอะแต่ท่านพูดแบบนี้เนี่ยฉันก็ลงเป็นห่วงคนที่มีความอดทนเป็นเลิศแต่อดทนแบบวิจารณญาณไม่ค่อยดีบางทีทนจนทั้งทั้งที่เป็นมนุษย์ธรรมดานี่อาจจะโคม่าไปแล้วที่ยังคิดว่าตัวเองทนได้อยู่เลยอ๋อ อันนี้ก็ต้องอยู่ที่การดูแลตัวเองนะ น, นี้เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งค่ะท่านคะทีนี้เมื่อท่านพูดถึงเรื่องของคนเราถ้าอดทนไม่ว่าจะเป็นผัสสะอะไรที่เกิดกับอายตนะทั้งหลายตาหูชมมกลิ้นกายใจเนี่ย น, นะคะท่านว่าจะนำไปสู่สัมมาสมาธิได้ง่ายถูกไหยคะใช่ทีนี้ท่านอยากจะกราบเรียนถามท่านอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวเนื่องกับการโดยกับการโดยตรงนักแต่ในกรณีที่ เราเนี่ยจงใจนะคะทําให้คนที่มีผัสสะจากการกระทําของเราเช่นดิฉันพูดเนี่ยไม่เรามัดระวังคําพูดเลยทั้งๆที่เรามัดระวังได้จงใจด้วยซ้ําอืมว่าพูดให้เสียดแทงใจเขาซะอืมพูดอย่างนี้รู้เลยว่าคนคนเนี้ความอดทนน้อยมากกับการที่ให้ใครมาพูดเสียดสีแย่ ก, การที่ด่าเขาอีกอะไรเงี้ยนะคะซึ่งคนพูดเนี่ยดิฉันเสียหายอะไรเอาเสียหายอะไรโอ้ย เสียหายมากเลยคือคุณเบียดเบียนคุนอื่นด้วยวาจานะวาจาอันกระทบกระเทียบเบียดเบียนไม่เป็นไปเพื่อสมาธิเป็นอาวาจาหยาบนะทุกประเทศใช่เปล่าคะถูกต้องสิวาจาอันกระทบกระเทียบเบียดเบียนไม่เป็นไปเพื่อสมาธิเป็นวาจาหยาบนะะไม่ใช่ว่าจําเป็นว่าคุณจะต้องขึ้นกูขึ้นมึงขึ้นตัวอะไรต่อมีอะไรขุดมาหมดอย่างเงี้ยไม่จําเป็นอย่างนั้นเอาแค่วาจาที่ ไม่เป็นไปเพื่อสมาธิกระทบกระเทียบเบียดเบียนนี่วาจวาหยาบล่ะอันนี้คือนิยามของวาจาหยาบของพุทธเจ้าเหรอคะใช่ใช่วาจาหยาบก็คือคําพูดที่ชาวเมืองเขาไม่พูดกันและเป็นวาจาหยาบอันไม่ใช่ของสัตว์บรุษเป็นวาจากระทบกระเทียบเบียดเบียนไม่เป็นไปเพื่อสมาธิต่อให้เป็นคําพูดที่สุภาพสุภาพชนหวานปานน้าผึ้ง แต่ถ้ามันเสียดสีเบียดเบียนไม่เป็นไปเพื่อสมาธินะอันนั้นะวาจาหยาบผลที่คนพูดวาจาประเภทนี้ออกไปจะเป็นเช่นไรนะคะถ้า<ค>ทา <ำ S 2> บ่อยทำมากทำเป็นประจำก็จะเป็นไปเพื่อนรกกรราเนดเดรัจฉานเปรตวิสัยหรือถ้าไม่บ่อยไม่มากไม่ประจานะก็จะทำให้เป็นผู้ที่ได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจคนพูดห ย, ยาบๆยาเนี่ย ไม่ใช่หยาบโดยการใช้ภาษานะแต่หยาบโดยเจตนาหรือหยาบโดยการเบียดเบียนก็ตามเนี่ยจะตัวเองเนี่ยจะเป็นผู้ที่ได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจค่ะอันนี้ดิฉันคิดว่าจะต้องหยุดอยู่ตรงนี้นานๆสักนิดหนึ่งเพราะว่าเข้าใจว่าถ้าเราธรรมดาเราท่านเนี่ยก็จะเข้าใจในเรื่องของคําหยาบเป็นเป็ น, นอีกลักษณะหนึ่งคืออาจจะอยู่ในพจนานุกรมบอกไอค้คําพวกนี้เป็นคำหยาบแต่จริงๆแล้ว ถ้าเป็นความหมายของพระพุทธองค์กลับมีรายละเอียดที่น่ากลัวเลยฉันใช้คํานี้เลยนะคะวาจาหยาบ <c oughs> คือคําที่กระทบกระเทียบเบียดเบีย น, นไม่เป็นไปเพื่อสมาธิท่านพิบุลบอกว่าต่อให้จะเป็นคําหวานอย่างไรอย่างนี้ต้องเปรียบเทียบกับ น, นิยายเลยนะคะพวกตัโกงเนี่ยคะ่ะท่านคะจะชอบมีวาจาแบบเนี้ยฟังดูเหมือนดีอแต่ว่าโอ้โหเชื้อเชื่นเบียดเบียนอทีนี้ท่านบอกว่า ถ้าทําบ่อยนี่จะเป็นไปเพื่อนรกกาเนิดเดรัจฉานตัวโกงพวกนั้นนี่มีที่ไปเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องถ้าเขายังไม่พ้นเนี่ยถ้าเขายังไม่พ้นคือยังไม่เป็นโซดาบัลอย่างน้อยเนี่ยนะเขาจะไม่สามารถปิดกั้นตรงนั้นได้ยังไงมันจะต้องตามให้ผลจะผลมากผลน้อยมันก็จะต้องให้ผลนี่คือผลมากนะในการที่จะไปนรกกาเนิดเดรัจฉานปรตวิสัยแต่ถ้าให้ผลน้อยหน่อยก็จะเป็นไปเพื่อได้รับฟังเสียงอันไม่น่าพอใจ ค่ะอยู่ดีๆก็มีคนโทรศัพท์มาแล้วก็มาพูดอะไรที่ไม่อยากฟังนี่ก็อาจจะเพราะทําไม่ดีในอย่างนี้ก็ได้หรือแค่ว่าเรานั่งดูโทรทัศน์อยู่อย่างเงี้ยมีเสียงอะไรอื้อตึกคึกโกลมขึ้นในจิตเราจะมีความรู้สึกว่าอันนั้นมันเป็นเสียงที่ไม่น่าพอใจแต่คุณหนึ่งเขาอาจจะไม่แคร์ก็ได้ถ่กต้องไหมอ่าเมื่อนั้นจะเป็นผลของกรรมที่มันเกิดขึ้นค่ะดังนั้นเมื่อท่านได้กรุณาชี้ให้เห็นโทษของการกล่าววาจายาบซึ่งวาจาหยาบ เป็นส่วนหนึ่งของมิจฉาวาจาและเรากำลังรณรงค์ให้ท่านทั้งหลายพูดสัมมาวาจากันเถเพื่อตัวท่านเองเพื่อสังคมเพื่อในหลวงเพื่อถวายเป็นปฏิบัติบูชาแด่พระพุทธเจ้าเราก็เห็นโทษแล้วทีนวะแล้วเราหาทางออกนิจรณ ะ, ะโดยไม่พูดไปเซ็นกันสนาคาสหรับใบโพที่ระบุว่าข้าพเจ้าเห็นด้วยกับการพูดสัมมาวาจา ไม่พูดปดไม่พูดให้แตกแยกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อข้าพเจ้าจะพยายามทำแล้วก็คลิกขึ้นไปให้ปรากฏบนต้นไม้ Facebook ที่ Facebook ซึ่งชื่อว่าพูดชอบ P W O, o D S H O B หรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ b thai b e t h a i org หรือจะไปที่ Big กนะคะก็จะได้พบกับใบไม้นี้ ท่านเพียบุญคะ<ด>ทีนี้กลับมาเมื่อสักครู่ที่ฉันพูดถึงเรื่องของความทุกข์ใช่ไหมคะว่าตาหูจมูกเล่นกายใจพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกเลยว่าน้ำหนักของอายตนะไหนจะทําให้เกิดความทุกข์มากน้อยกว่ากันใช่ค่ะทีนี้พอพูดถึงเรื่องความทุกข์เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของโทษเรื่องของประโยชน์มีอาทีนวะแล้วใช่ไหมคะมีอัสาทะแล้ว ความทุกข์ทั้งตวงเลยค่ะมันมีผลข้อดีบ้างไหมคะมีอะไรบ้างคะทุกเนี่ยมีอาสาทะไหมคะพระเจ้าบอกว่าทุกเนี่ยเป็นอชื่อว่าศรัทธาเนี่ยชื่อว่ามีทุก์เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยศรัทธาเอหมายความว่าหมายความในความทุกข์ที่เรามีเนี่ยศรัทธามันเกิดได้นะศรัทธามีอยู่ในนั้นได้อืคเกิดตรงไหนยังไงล่ะคะเราจะเ็อาจจะเห็นว่าบางคนมีความทุกข์มากๆเลยนะ ชีวิตนี่เรียกว่ายิ่งกว่าละครน้าหน้าบางเรื่องอีกอ่ะ <Okay. S 2> นะความทุกข์ที่เขามีแต่เขาไม่เห็นมีศรัทธาจะเกิดขึ้นได้นะบางคนมีความทุกข์ก็มีศรัทธาได้เอ้ยแล้วมันต่างกันตรงไหนมัน <Okay. S 2> ต่างกันตรงที่ว่าความทุกข์ที่ทําให้เกิดศรัทธากับความทุกข์ที่จะไม่เกิดศรัทธาเนี่ยมันต่างกันตรงที่ความทุกข์ที่เกิดศรัทธาเนี่ยจะมีสมาธิถิอยู่ด้วยบุคคล น, นั้นต้องมีสมาธิฐิมีเพื่อนดีทุก <Okay. S 2> ตรงนั้นของคุณเนี่ยถึงจะเปลี่ยเป็นศรัทธาได้ อืมอืมคงนี้ามีความทุกข์แล้วหมายความว่าไงคะนะาตหมายความว่าสมมุติเราเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งนะเรามีเพื่อนดีในการแนะนำว่าโอ้นี่ปัญหานี่มันแก้อย่างนี้นะอา่าเรามีสมาธิถี่ว่าอ๋อทางทางเอ่อทางนี้เป็นทุกข์เหตุ ข, ของความทุกข์เป็นอย่างนี้นะทางดับไม่เลือของทุกข์เป็นอย่างนี้นี่วิธีแก้เป็นอย่างนี้อันเนี้ยถือว่าคุณมีสมาธิถี่คุณจะรู้ได้ว่าอา่าทุกตรงเนี้ยต้องแก้อย่างไง การจะแก้ตรงนั้นเนี่ยคุณต้องมีศรัทธาในการดําเนินไปศรัทธาจะเกิดขึ้นได้อืมอค่ะก็เท่ากับว่าทุกข์ไม่มีประโยชน์นะจะว่ากันไปเพียงแต่ว่ามีความทุกข์แล้วอย่าไปพึ่งสิ่งผิดก็แล้วกันต้องมีเพื่อนดีอืมเพื่อนดีนี่ถ้าสมมุติว่าในชีวิตมันแข้งคว้างมากเลยท่านค่ะไม่ค่อยมีเพื่อนอะนที่มีก็ล้มหายตายจากไปหมดแล้วออืจะไปหาใครล่ะคะก็ใช้มรติอริยมรติองแปดนี่แหละเป็นเพื่อนได้ Uh, <Okay. S 2> เพื่อนเนี่ยมีหลายนัยยะอยู่นัยยะที่เป็นตัวบุคคลที่คุณโยมติ๋วพูดอาจจะละใหม่ไปตายจากไปบ้างก็อันนี้เป็นนัยยะที่หนึ่งนัยยะที่สองนี่คือเอาครูบาอาจารย์ก็ได้นะคนอื่นคนดีๆเราหาใหม่ก็ได้นี่หรือว่าอาครูบาอาจารย์ที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นเพื่อนก็ได้เป็น <Okay. S 2> กัลยาณมิตรในกรณีนี้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆเอานี่แหละว่าเอามาร์กเนี่ย เ, เ, เป็นเพื่อนซ ะ, <Okay. S 2> ะกัลยาณณวัดกรกัลยาณมิตรที่เรามีได้เอาเรียนมาร์กมีองค์แปด หนึ่งในนั้นก็นี่แหละให้คิดดีผู้ดีทำดีค่ะก็เท่ากับว่าเพื่อนในที่นี้นไม่ได้หมายถึงแต่เพื่อนที่เป็นมนุษย์แต่เพียงเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นเพื่อนที่เป็นนา ม, มารมแต่คือธรรมะก็ได้ใช่ใช่ใช่ไหคะเราจะนาท่านให้ไปสู่สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฐิคือการเห็นชัดเจนว่าความทุกข์เนี่ยของท่านเนี่ยคืออะไรเห็นแหงความทุกข์นั้นเป็นอย่างไรจะได้แก้ถูก อ, อันนี้รวมกันเรียกว่ามีสต้าแล้วใช่ ง่ายๆอย่างสมมติเราตื่นเช้าขึ้นมาทุกวันค่ะอ่าอุ้ยทําไมหน้าฉันมีติณกาขึ้นแล้วเมื่อปีที่แล้วยังไม่เห็นอย่างนี้นะอ้าวนี่แกแล้วแก่แล้ ว, ลวดู้ไหมหน้าตกใจมากเลยค่ะที่คุณพู ด, พ ด, พดแก่แล้วนี่อ่าถ้าเราเห็นว่าโอ้ยฉันแก่นี่เป็นความทุกข์นะคุณโยมติว๋วแน่ น, นอนค่ะปีที่แล้วตลอดปีฉันอุตสาห์ใช้ครีมยี่ห้ อ, อนี้มันไม่ได้ช่วยเลยอย่างนี้เป็นต้นนะค่ะอ่าจะแก้ปัญหานี้ยังไง ความมีความทุกข์อย่างเนี้ยมันจะดีตรงที่ว่าถ้าเราสามารถเห็นปัญหานี้เนี่ยในนัยยะที่ว่าโอ้ยเราไม่สามารถร่วงพ้นจากความแก่ไปได้นะแั้วไงว่าก็ต้องเจอความแก่เป็นธรรมดาจะทำให้จิตของเราเนี่ยมีศรัทธามาีมีความปล่อยวางได้นะตรงนี้แหละจะทำให้เกิด เ, เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ได้นะคะค่ะตัวอย่างที่ท่านยกเนี่ยก็ทำให้ดิฉันได้ใช้ความอดทน ขอไปค่ะก็พูดเล่นเลครับว่าบางทีเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบได้เป็นตัวอย่างเฉยๆว่าสมมุติว่าคนเนี่ยกลัวความแก่ไม่อยากให้ใครพูดถึงเลยแต่ทนฟังได้ก็แปลว่าเริ่มดีแล้วนะคะอืมถูกไหมคะใช่อย่างอย่างอรามาพูดในรายการอย่างเงี้ยถ้าเราบอกว่าเราพูดไปเนี่ยนะคุณโยมติว่าอาจจะขัดใจบางคนนะค่ะพูดไปแล้วเขาอาจจะไม่ชอบสิ่งที่เราพูดอ่ะถามว่าอันนี้เป็นวาจาหยาบไหมเป็นมิจาวาจาไหม ก็ต้องอยู่ที่ว่าเราพูดเป็นธรรมเป็นวินัยไหมถ้าสิ่งใดเนี่ยที่ไม่เป็นธรรมเป็นวินยัยเราต้องขนาบเราต้องสามารถข่มขี่ปรับวาทะอันเป็นค่าสึกให้ราบคาบโดยทําได้ค่ะซึ่งอันเนี้ยคุณจะไปโทษคนอื่นที่ พ, พูดไม่เข้าหูคุณไม่ได้คุณต้องโทษเกลียดในตัวจิตตัวเองท่านคะอืมดิฉันขอให้ท่านได้ใช้ตัวอย่างที่ใกล้ตัวในระยะนี้มากที่สุดแล้วช่วยชี้แนะในทางป้องกันหรือแก้ไขให้ด้วยคือเรื่องของการเมืองมันจะเป็นเรื่องที่ เหมือนกับคลั่งไคล้แล้วก็จะมีปฏิกิริยาแรงถ้าหากว่าเราต้องฟังในสิ่งที่มันอยู่ตรงข้ามกับฝ่ายที่เราชื่นชอบเนี่ยแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกที่ชูชาตไปต่างๆนานา อ, อย่างเงี้ยค่ะมีเกี่ยวกับเนื่องจากธรรมะที่ได้พูดกันมาทั้งหมดเนี่ยจะเอาไปใช้ประโยชน์อย่างไรดีั้งนั้อ๋อง่ายมากๆเลยก็คือว่าใครเขาจะด่าอะไรเรายัางไงก็แล้วแต่นะเราจะไม่ด่าตอบ นะเราจะไม่พูดยุยงให้คุณหนึ่งเขาแตกกันคนจะทําอย่างนี้ได้อันนี้มันมันอันนี้มันคือเขาเรียกว่าคุณต้องทําอย่างนี้แหละแต่คุณจะทําอย่างนี้ได้คุณต้องทงอําจิตยังไงจิตคุณต้องมีเมตตาตลอดนะจิตเราต้องเหมือนมีน้ําให้มีมมน้ําเยอะๆ เ, เรานั่งอยู่ที่บ้านให้มีลมมีสติอยู่เในลมหายใจเก็บทีละเล็กทีน้อยพอถึงเวลาเราใช้จริงๆเนี่ยเราจะสามารถต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ นะถ้าะจะแนะนำสั้นๆก็จะแนะนำได้ประมาณนี้นไม่พอใจก็ต้องอดทนเอาไว้นะคะเป็นการศ<ม>รษฐกิจค่ะ <c oughs> ท่านคะแมมเวลาน้อยจริงๆ huh. นะคะวันนี้ก็คงต้องนมัสการขอบพระคุณพระชันายเพรบูลแต่เพียงเท่านี้นะคะจ้าๆๆจพอค่ะท่านฟังคะท่านเพยบูรเสาร์อาทิตย์ท่านยังพบกับพวกเราทุกคนได้อยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ก็เปิดไปฟังท่านมีเฉพาะดิฉันกับพระมาร์กเนี่แหละนะคะที่จะหยุดพักเสาร์อาทิตย์ที่เอฟร้วิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมระเปรียติแล้วก็จะกลับมาพบกันมาอีกทีหนึ่งเมื่อถึงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในสัปดาห์ถัดไปมีเลื่นะคะ0 2 2ย์สองสอขอหนังสือพุทธวจนะที่ท่านคึกฤทธิ์โสธิพโลวัฒนาป่าพง์มอบให้มาได้ขอซีดีก็ได้แล้วก็ถ้าจะส่งคําถามเพียวธรรมะ .com/106 วันนี้ขอได้รับความขอบคุณจากรายการสัมนาสนสทนาดิฉันสัมส น, นาพงศ์นะคะพุทธสวัสดีค่ะ